มิลินทปัญหาชัฏวัค ก, กายะอ ป, ปียะปัญหาที่หนึ่งถามว่ากลายเป็นที่รักของบรรพชิตหรือไม่ ราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสศสื่อไปในชัทวักนี้ว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสศผู้จำเริญด้วยปรีชาธรรมดาว่าร่างกายนี้เป็นที่รักแห่งบรรพชิตทั้งหลายหรือประการใดพระนาคเสศถวายพระพรตอบไปว่าธรรมดาว่า ร่างกายจะได้เป็นที่รักแห่งบันพชิดหาไม่ได้ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรตรัสว่าบันพชิดไม่รักร่างกายก็ทำไมจึงอาบล้างชมาระ ก, กายอยู่เล่าพระนาคเษนผู้เป็นเจ้าจึงแก้ไขเปรียบเทียบว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดโยธาอันเข้าสู่การนรงสงคราม ต้องกากน้ำสตราวุธปืนยายังไม่ตายก็หามกันมารักษาบ้างหรือไม่นะบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าเออมีอยู่พระน่าเกษณ์ จ, จึงถามว่าดูราณนะบอพิษพระราชสมภารคนที่พิการเจ็บปวดนั้นย่อมทาด้วยน้ำมันยาแล้วเอาท่อนผ้าเนื้อดีพันเข้าไว้ แล้วชำาระชะโกรกไปซึ่งบาดแผลด้วยน้ำกระทาดังนี้หรือพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธาธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตเออกระนั้นแหละสิพระผู้เป็นเจ้าคนเจ็บนั้นเขาก็รักษาแผลนั้นจึงใส่น้ำมันยาเอาท่อนผ้าเนื้อดีนั้นผ่านเข้าแล้วแก้เอาผ้าออกไว้ล้างชะให้ดีด้วยน้ามัน กระทำกรณีพระนาคเสณองอารหาติบดีมีเทระวาจาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารคนพิการนั้นล้างชะชมรทานนัมัญญาที่แผลนั้นรักแผลหรือประการใดนะบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราทิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนเจ็บเขาพันแผลด้วยผ้าทาด้วยน้ำมันแล้วโกรกด้วยน้ำมันใช่จะรักแผลที่กายหาไม่ได้กระทําทั้งนี้เพื่อจะให้งอกนเนื้อใหม่หายไปเป็นปกติเหมือนแต่ก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพรบ๊บพิษพระราชสมภารเจ้าความนั้นฉันใดเล่า บรรพชิตก็เหมือนกันอุตสาพรณิบัติกายพระมะจริยานุขหายะเพื่อจะให้สบายในที่จะรักษาศีลพรหมจันทร์เหมือนกันกันกบบุคคลรักษาแผลนี้ก็ต้องด้วยกระแสะพระพุทธดีกาสมเด็จพระทศพลยานตรัสประธานไว้ว่าพึงให้บรรพชิตรักษากายของอัตมาดุจหนึ่งว่าบุคคลทั้งหลายอันรักษาแผลแต่ว่า อย่าพึงให้สเสน่หารักใคร่ในกายณนะบอพิษพระราชสมภารอันหนึ่งสมเด็จพระทศพลยานตรัสประธานไว้อีกเล่ายุติด้วยพระคาถาว่าอัลละจัมมะปฏิชันโนนวทวารมหาวโนสันตตโตปักครติอสุจิปูติคันทิโกติกระแสพระพุทธดีกาโปรดว่าพิกเว ดูราณะภิกษุทั้งหลายกายของเราท่านทั้งหลายนี้ไม่เป็นแก่นสารประกอบไปด้วยทวาวรทั้ง9้ามีปากทวาวรเหมือนปากแผลอันใหญ่ประกอบด้วยอสุจิไหลออกมาทุกทวาวรสิน้นปุติคันทิโกมีแต่ล้วนกลิ่นอันหน่าพึงเกลียดพึงชังนี่หากว่าหนังหุ้มกําบังไว้หาไม่ นี้จะเวทนาดูหน้าสมเพศเหตุฉนี้ท่านทั้งหลายเร่งคิดเป็นอนิจจังเหนื่อยหน่ายอย่าได้รักซึ่งร่างกายจงมีจิตขวนขวายที่จะได้ซึ่งธรรมอันเป็นนิโรธตกว่าพระพุทธฎีกาตรัสโปรดไว้ฉนี้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินนรินทรภูมิบาลได้ทรงสาวนาการก็ชื่นบานหันสาตรัสว่า กลโลสีพระผู้เป็นเจ้ากล่าวถ้อยคําสมควรนักหนาในการบัดนี้กายะอั ป, ปิยะปัญหาเป็นประถมจบเท่านี้